หกสิบห้าสิ่งแรกที่คว้าขึ้นมาคือไรเฟิลประจำมือโดยไม่คำนึงถึงว่าตนเองในภาวะนี้จะเป็นเช่นไรจอบ์รานผุดจะลุกขึ้นยืนยังไม่ทันจะทรงตัวตรงคริสตินาก็โดดเข้าจับตัวเขาไวระพินอย่าเพิ่งลุกขึ้นนอนลงเขาไม่ฟังเสียงซะแล้วและดูเหมือนจะลืมอะไรหมดพลักหลอนเซออกไปพร้อมกับบอกเร็วหรือว่า ยมัวแต่มาก่อหน้าก่ อ, กอหลังผมอยู่อย่างนี้นะปืนคุณอยู่ไหนประโยคหลังไม่ใช่เป็นคำถามแต่ดูเหมือนจะเป็นคำเตือนมากกว่าแล้วก็ก้าวพรวดพรดาออกไปทางปากถ้ำทันทีในขณะที่เสอเอิงและลูกเมียของมันที่นอนกันอยู่อีกมุมหนึง่งพากันตื่นและส่งเสียงร้องถามอะไรเสดไปหมดคริสติน่าคว้าเอ6มสิบหกถลันไล่หลังเข้ามาพร้อมกับไฟฉายก่อนที่ระพินจะพ้นปากถ้ำ ซึ่งมีแต่กองไฟรีโซมอยู่ไรเฟิลก็ก้องขึ้นมาอีกหนึ่งนัดมันดังจริงๆบนหน้าผาที่มีแต่ความส ง, งัดยามวิกาลเช่นนี้แต่คราวนี้ดูเหมือนจะดังมาจากปีก ด, ด้านซ้ายของตำแหน่งถ้าที่เขานอนพักอยู่และไม่ต้องสงสัยเลยเสียงปืนที่คำรามขึ้นกลางดึกถึงสองนัดติดต่อกันภายในเวลาไม่ถึงอึดใจ จะไม่ปลุกเรียกให้คณะพักพวกทุกคนรวมทั้งลูกหาบและกระเหรี่ยงตะเคียนทองทั้งหมดที่อาศัยนอนอยู่ตามโพรงถ้ำรอบด้านทั้งสูงและต่ำตื่นชุลมุนขึ้นพร้อมกันพรานใหญ่ขยับลูกเลื่อนขึ้นลำทันทีที่พุ่งตัวออกมายืนริมทางเดินแคบแคบอันจะเป็นบริเวณที่เดินเลาะเรียบไหลถาบริเวณนั้นเขาเห็นแสงไฟฉายสามสี่ดวงสาดวูบว่าไปมาจากตาแหน่งต่าง และดวงที่ใกล้ที่สุดห่างจากหน้าถ้ำเขาเยื้องต่ำลงไปเพียงไม่เกินสิบเมตรเท่านั้นดูเหมือนจะเป็นบุญคำเพราะจําเสียงสะบท ด, ดาครมถมเถของแกในขนาดนั้นได้บุญคำอะไรรับพินตะโกนถามลงไปเป็นเวลาเดียวกับที่คริสติน่าตามติดออกมายืนประชิดใกล้ในมือกระชับเอ็มสิบหกพร้อมได้ บุญคำยิงไอ้ผีดิบร่วงจากหน้าผาลงไปตัวหนึ่งแล้วมันไตยขย้ขยักขยักเข้ามาจนเกือบถึงที่บุญคำนอนอยู่ห่างแค่สองวาเท่านั้นปากกระบอกปืนแยบรว่วลงไปเกือบชิดหน้ามันพอดีเสียงสมุนมือขวาของเขาตะโกนบอกขึ้นมาบนกระเสียงร้องเหมือนจะบอกความอะไรมาจากอีกด้านหนึ่งที่จันเฝ้าอยู่ห่างไปทางซีขวามือที่เป็นดวงไฟสองกระจู พระพินไต่าทางและถลายลื่นลงไปยืนตรงตำแหน่งที่บุญคำชีโบชีเบอยู่ในพริตานั้นเรี่ยวแรงพละกําลังดูเหมือนจะกลับคืนมาเหมือนเดิมแล้วในภาวะนี้ลําไฟฉายของบุญคำยังส่องจ้าลงไปที่ชะ ง, ง่อนหินตำแหน่งที่เขามีอะไรกับเบรเมื่อคืนที่แล้วทําให้มองเห็นซากอย่างหนึ่งได้ถนัดบักนี้มันนอนแข็งทื่อคว่ำหน้าค้างอยู่ตรงบริเวณนั้น เพราะมีหินกั้นอยู่มีรอยทะลายลื่นคลูดเป็นทางเพราะร่างกายที่พลิกกล้งลงไปเสียงคริสติน่าอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งสำหรับเขาเพียงแค่ห็นแค่นั้นก็เดาอะไรได้ถูกหมดโดยไม่ต้องอธิบายอะไรอีกทั้งสิน้นคริสใช้ไฟลงไปข้างล่างราดรอบๆระพินสั่งโดยเร็วพร้อมกับประทับปืนพร้อมสายปากกระบอกตามแสงไฟ ที่แม่ผมทองปฏิบัติตามคำสั่งหล่นกราดไปตามหมู่ไม้เล็กๆที่งอกอยู่ตามชั้นของหน้าผาและ ก, ก้อนหินที่ต่ำลงไปแล้วรองลั่น un, นั n un, n un, n un ่นระพินนั่นนั่นนั่นหล่นโวยวายเสียงแหลมละล่ำละละักเมื่อไฟของแบตเตอรี่หก้อนเป็นจุดโฟกัสวงกลมจับเข้าสีสะและใบหน้าอันหนาเกลียดดวงหนึ่งที่กาลังบังลับลับ ล, บล่อๆ อ, อ, อยู่ตรงพุ่งไม้โปร่งเล็ก เพียงแค่สุดเสียงร้องของหล่อนเท่านั้นจอมแพ้ก็กระดิกใจกระสุนไรเฟินขนาดหนักของเขาระเบิดสะเทือนเหมือนฟ้าผ่าเห็นชัดกับตาในแสงไฟฉายของแม่ผมทองว่าโนกแก้มอันสูงไปด้วยกระดูกมีหนังสีน้ำตาลหุ้มอยู่แหกหลุดหายไปทั้งกระบี่แล้วร่างใหญ่โตที่กำลังเกาะแง่หินมีอาการเหมือนกำลังจะไตเงียบขึ้นมาก็พลิกไตลังกา กริ่งกรวดลนกราดคลุกๆๆลุลงไปตามแนวชันของหน้าผาหายแวบไปในซอกเชงเงห้มหินที่โผล่บังอยู่ม่านฝุ่นจะขินลูกรังสีแดงกระจายคลุงซองอีกซองอีกช่วยกันซองกราดไปทั่วๆเขาตะโกนบอกคริสติน่ากบุญคำที่ถือไฟฉายกันอยู่คนละดวงและเตรียมจ้องยิงถ้าหากพบต้าหมายต่อไปแต่ก็ไม่ปรากฏ ว่าจะพบเห็นร่างใดในบริเวณนั้นอีกแสดงว่ามันไต่ตามกันขึ้นมาสองตัวตัวแรกกระเด็นลงไปแล้วด้วยลูกฟืนนาคมของบุญคันส่วนอีกตัวหนึ่งหน้าหายไปทั้งแถบด้วยกระสุนลมช้างของระพินหล่นร่วงในทิกตขาขณะนั้นเสียงเอาอาก็ดังแส้ครุมมาจากถ้ำใหญ่อันเป็นที่พักของเชิดบุตรและนายจ้างทั้งหลาย ฟชฟอีกหลายดวงกระดาเป็นลำตัดกันไปมาพร้อมกับเสียงตะโกนถานแยกสำเนียงไม่ถูกว่าใครเป็นใครบ้างซึ่งแน่ละทุกคนตื่นตกใจขึ้นมาด้วยเสียงปืนที่ดังปานจะถล่มหน้าผาซีกนั้นลงทั้งแถบความจริงลูกปืนอาจจะไม่ดังเกินไปนะักแต่เนื่องจากในราตรีมืดสงัดและในสถานที่อันเป็นหน้าผาหินมีเขาล้อมรอบอยู่เช่นนั้น ทั้งสามนัดที่ระเบิดออกไปแล้วมันดังหูดับตับไม่ใครไม่สะดุ้งตื่นขึ้นมาในยามนี้หัวแต่นอนหลับอยู่ได้ก็คงเป็นคนที่ตายแล้วหรือคนที่ขี้เซาที่สุดในโลกเพื่อกันความเข้าใจผิดจากพวกพ้องที่พากันถือปืนและไฟฉายโผลกมาจากโพรงถ้ำมุมต่างๆรับรพินไทรวันคว้าไฟฉายจากมือคริสสองแกวงไปมาตรงตำแหน่งที่ตัวเขาเอง คริสติน่าและบุญคำยืนอยู่เพื่อไม่ให้พวกนั้นตาฝาดมองเห็นเป็นอย่างอื่นแล้วอาจยิงลงมาทางด้านจันที่เฝ้าอยู่เยื้องกับปากถ้ำของนายจ้างก็กูตะโกนบอกความมาจันยิงร่วงไปตัวหนึ่งนายมันกำลังจะย่องเข้ามาเล่นงานในเซยเพราะมัวแต่หลับอยู่ช่วยกันส่องไฟไวตรวจ ด, ดูตามโขดหินด้านล่างให้ทั่ว เห็นตัวก็ยิงทันทีรพินตะโกนบอกเฮ้ยก็ไรขึ้นบวยช้างบุกหรือไงจำได้ว่ามันเป็นเสียงเอ็ดอื่นของนายคิดที่ตะโกนดังลั่นแทบจะกลบเสียงของคนอื่นหมดสิ้นรพินไม่ตอบเพราะป่วยการที่จะตะโกนคอแหบคอแห้งเชื่อว่าฝ่ายนายจ้างทุกคนเดี๋ยวก็รู้เรื่องแน่ชัดเองว่าอะไรเป็นอะไรเพราะมีเชิดวูดเป็นล่ามอยู่ทั้งคน อีกอย่างเบลกับสเตลลีก็ฟังภาษาไทยออกอยู่ดีรวมทั้งอยู่ใกล้ๆกับจันที่เฝ้าระวังอยู่ปากถ้ำด้วยตัวรพินเองบุญคำและคริสตินะ่ายืนระวังคุมเชิงอยู่ตรงตำแหน่งนั้นอีกพักใหญ่คอยสองไฟตรวจค้นหาทางด้านอื่นก็ดูเหมือนจะเข้าใจสถานการณ์ดีแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นและกำลังช่วยกันตรวจส่องอยู่ทุกก้อนหินทุกพุ่งพง ที่ขึ้นหรืองอกอยู่เป็นระยะระะตามแนวผาชันก่อนที่จะขึ้นมาถึงตำแหน่งโครงถ้ำที่คนทั้งหมดอาศัยหลบนอนอยู่ล้วนแหลเห็นเงาตะคุ่มเต็มไปได้วยปริศนาชวนสงสัยเต็มไปหมดตำแหน่งไหนที่กลายเป็นที่สงสัยว่าไ้พวกผีดิบที่พยายามไต่เงียบระบายพลขึ้นมายังกลุ่มของมนุษย์ซึ่งมาอาศัยนอนอยู่บนถ้ำ ล้วนถูกกระสุนขนาดต่างๆยิงหญิงหนุจะเป็นการตรวจสอบไปทุกจุดเสียงปืนดังสลับกันอยู่เป็นจังหวะประดีวจุดนั้นประเดี๋ยวจุดนี้หัวกระสุนตัดกิ่งไม้และก้อนหินเปิดประกายไฟแลบวูบวาบและปืนของเกิอจาะรอยกระทบของหัวกระสุนไปว่อนระวังพวกมันอาจจะแอบซ่อนยลบมุมอยู่หลังก้อนหิน ตามทางที่เราไต่ขึ้นมาแล้วเซียนด็อกเตอร์สเตลลีร้องสั่งการและเมื่อ น, นั้นเองอาจจะเป็นคีทริชั่ววุธคนใดคนหนึ่งก็ยิงลูกขนาดเล็กชนิดมือถือขึ้นไปกลางอากาศอึดใจต่อมาแสงสว่างจากพลุสำหรับส่องแสงต็จา้าขึ้นส่องให้เห็นไปทั่วทั้งบริเวณหน้าผาตอนนั้น แล้วลอดลงไปถึงพื้นข้างล่างด้วยจากแสงสว่างขนาดสองมืนแรงเทียนที่แพ่อยู่เหนือบริเวณ น, นั้นทั้งหมดทำให้ทุกซอกทุกมุมอันน่าสงสัยประจ่างชัดกับสายตาราวกับกลางวันทุกคนของคณะพักยืนถือปืนระวงังเตรียมพร้อมอยู่ตามจุดต่างๆคนละมุมสุดแต่ว่าใครจะโผล่มาจากซอกมุมไหน ตัวที่ระพิงยิงยังงองไม่เห็นเพราะลนบังรับมุมของสายตาที่จะมองลงไปจากพี้นเบื้องสูงตัวที่จันยิงก็ร่วงหายไปเช่นกันคงเห็นแต่ร่างที่ตกเป็นเป้ากระสุนของบุญคําซึ่งดูจะเป็นกระสุนนัดแรกที่ระเบิดขึ้นนั่นแหละที่ความหน้าคาโคถิงอยู่ห่างลงไปเพียงไม่เกินสิบว่าบุญคําขยับตัวจะเดินตามลงไป ได้ระพินคว้าไหลไว้ช่างมันปล่อยทิ้งไว้งั่นแหละอย่าลงไปตอนนี้เป็นการขาดมันจะไต่ขึ้นมาทางถ้ำที่นายนอนพักอยู่ดีนาที่บุญคําเฝ้ายามดักปากถ้าไว้แล้วตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงก้อนหินลั่นเลยกดโต๊ะมาไว้ทันถ้ามันถึงตัวบุญคำก่อนบุญคําก็คงคอหมุนได้รอบเหมือนอย่างลูกหาบสองคน แล้วต่อจากนั้นมันก็คงจะเข้าไปเยี่ยมนายตรงท้านั่นแม่นี่ขนาดเสข่ยควายธนูเฝ้าไว้ละวนาไอผีปาชาแตดนี่ก็ยังฟ้าอาคมขึ้นมาได้เสียงบุญคำบ่นอู้เกาหัวจุปากอยู่จึกจักระพินกัดริมฝีปากเบาๆพยายามมองจ้องไปยังลานเบื้องล่างหน้าผาอันเป็นที่พักในตอนกลางวัน เขารู้สึกว่าจะมีอะไรผิดปกติผิดแปลกไปเพราะมันแลล่องผิดตาไปมากเนื่องจากก่อนจะไต่ขึ้นมาอาศัยนอนกันบนถ้ำเหล่านี้เห็นราวที่พวกกระเรียงขึงแขวนเนื้อช้างที่แล่เป็นริ้วๆไวเป็นสายระยงระยางเต็มไปหมดเขาหันกลับขึ้นไปข้างบนร้องตะโกนบอกให้ยิงพลุขึ้นอีกลูกหนึ่งเพราะลูกแรกนั้นให้ความสว่างได้เพียงนาทีเดียวกลับดับมืดลงตามเดิม พอขาดเสียงบอกของเขาก็มีเสียงปังของพลุสัญญาณอีกหนึ่งนัดความสว่างสวัยของราวไพรเบื้องล่างก็ปรากฏขึ้นอีกดูนั่นระพินคริสติน่าร้องแหลมชี้มือลงไปเบื้องล่างจอมพรานรีตาลงราวแขวนเนื้อช้างจํานวนมากที่กระเรียงแล่แขวนไว้เตรียมเป็นสเสบียงบัดนี้ถูกมือลึกลับ กระชากขาดลงมากองอยู่กับพื้นหมดสิ้นแล้วและเนื้อที่หวังไว้ว่าจะเป็นอาหารได้ก็ถูกเหยียบขยี้ลงไปกองคลุกอยู่กับฝุ่นดินหมดเป็นการจงใจเจตนาที่จะทำลายซะสิ้นมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกครับแม้ว่าจะใช้ความพยายามสักแค่ไหนนี่เป็นรายการตื่นเต้นกลางดึกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองพวกคุณกลับไปพักผ่นอนนอนหลับตามเดิมเถอะรับรองครับ จากเวลานี้จนถึงสว่างจะไม่มีอะไรอีกแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ครับแล้วเขาบอกกับทุกคนนี่ใครเป็นคนยิงขึ้นเป็นคนแรกหัวหน้าคณะถามบุญคําครับนับที่สองน่ะเป็นของจันทร์ขณะนั้นน่ะมันไต่คืบคลานเข้ามาจนเกือบจะถึงที่ทั้งสองนอนเฝ้าดักอยู่แล้วสําหรับบุญคํากับจันทรน่ะวางใจได้เสมอครับเพราะนอนไวมาก พวกนั้นซักถามด้วยความตื่นเต้นอยู่อีกสองสามประโยคแล้วก็ทยอยกันกลับเข้าไปนอนสำหรับอิสเบลก่อนที่จะจากไปก็ถามเขาว่าระพินตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างล่ะก็เกือบปกติเหมือนเดิมแล้วล่ะผมนอนพักเต็มที่มาแต่หัวค่ำแล้วก็ได้น้ำเกลือช่วยขอบคุณมากเบีร์ถ้าคุณจะขอบคุณสำหรับคืนนี้ก็ควรจะขอบคุณคริสนะที่เขาพยาบาลคุณอย่างเต็มที่ เมื่อที่ฉันเข้าไปตรวจดูถุงน้ำเกลือแล้วเหลืออีกไม่กี่สิบซีซีเท่านั้นมีรอยกระชากออกก็คงมีตอนที่คุณตื่นพรวดพลาดขึ้นมานั่นแหละประเดี๋ยวก่อนนอนให้คริสแทงให้ใหม่นะไงไงก็ใส่เข้าไปให้หมดอย่าเหลือทิ้งไวแ้แหละกูนัยว่าแล้วแม่ผมแดงก็ตกที่ไหล่เขาแล้วก็เดินผละตามหลังพักพวกไปคงเหลือแต่เชิดวุฒเท่านั้นที่นั่งลงข้างๆระพิน เชิดบุษเฉยโอกาสตอนที่คริสติน่าตรงเข้าไปตรวจสายน้ำเกลืออันหลุดจากแขนของเขาอย่างกระทันหันกระซิบสวยชิบหายเลยผมแล้วพินเหลือบดูหน้าลดนกไรเฟิลลงทำไมอะคุณบุษก็กำลังมันอยู่ทีเดียวไอ้ผีนรกพวกนั้นก็ทำผิดเสียงเปืนดังต้มสวรนงี้ลุม กำลังฝันหวานอยู่หร้อครับทำเป็นไม่รู้เรื่องไปได้เชิดพุดตบเข่าเขาแรงๆตอนส่ทุ่มไอ้ทนะีน่ะเบาตัวไปละกับเบลแอบจุงกันเข้าไปหลบอยู่หลังกองสัมภาระสัญญากันไว้ว่าภาคดึกเป็นรอบของผมอุซาบอกว่ากลัวผีชวนมาเป็นเพื่อนให้คอยถือปืนคุมไว้แกล้งทำเป็นท้องเสียก็ซอกหน้าทาที่ผมนอน่ะ มีหินเกลี่นเองอยู่พอดีเลยก็เลยปล้ำตรงนั้นพีรแล้ก็ดีดดิ่งไม่ยอมแต่ไปเดี๋ยวเดียวก็ยืนพิงผนังหินให้หาอินเสิร์ตเข้าไปได้ตั้งครึ่งเดียวเสียงปืนกันระเบิดตมูมถอดมาแทบไม่ทันสองสามครั้งมาแล้วนะพี่ผมไม่เคยบรรลุเป้าหมายที่แท้จริงเลยล้มซะก่อนออกทะเลมั่งไม่จะปคุณแหกปากร้องซะก่อนมั่งจะบ้าตาย แท่นใหญ่รูปหลังนทหารรุ่นน้องอย่างปลอบใจหรืออย่างน้อยก็หกชั่วโมงก่อนสว่างก็พยายามใหม่ที่ครับโถพยายามไหนเล่าหลวงเกิดเรื่องตุ้มตามขึ้นมาแบบนี้แม่นั่นคงไม่มีอารมณ์แล้วละ่ะผมขืนก็ยิก็ยิบมีหวังถูกยันด้วยเท้าเท่านั้นเบ้นั่นไม่ได้หรอกบ้าบอเอาแน่ไม่ได้ไม่ศบอารมณ์นั่นแม่ถีบเอง่ายง่ไอ้ครั้นได้จังหวะเหมาะแม่เปิดช่องให้ เรามันก็ไม่มีฝีมือเองกลายเป็นพญานาคหมดฤทธิ์พ่นพิษนอกถ้าไปซะนี่ผมนี่มันแย่จริงๆริขาดเรื่องนี้ไม่ได้มาเดินป่าปเปลวเปลวแบบนี้ยิ่งหนักก็วีคืนนี้มีหวังต้องกลับไปจ่ายตลาดนัดสนามหลวงไม่งั้นคงนอนไม่หลับรับหินหัวรอกกอดทนหน่อยครับคงจะมีจังหวะพญานาคไม่หมดฤทธิ์ และสามารถพ้นพิษในถ้ำก็สักโอกาสนัหรอกไม่ช้าก็เร็วเรื่องแบบนี้เบนเขาก็ชอบอยู่แล้วเพียงแต่หาโอกาสให้สอดคลองเท่านั้นฉันเอางี้ไหมละ่ะเดี๋ยวคุณนอนกับผมฮ้าอย่าพูดเล่นน่ะจริงผมจะแกล้งทําเป็นนอนหลับให้สนิทรับรองในถ้ำที่ผมนอนอยู่กับคริสนี่ไม่มีอะไรมาทาลายบรรยากาศแน่ คร่สเขาชอบคุณไม่ได้ชอบผมนิสัยของคริสก็ไม่เหมือนเบลผมว่าถ้ามผมทำอะไรบ้าๆแทนที่จะถูกถีบอาจจะเป็นถูกลูกปืนเลยแม่ขนทองนี่เล่นด้วยไม่ได้หรอกถึงขนจะเป็นสีทองแม่ก็ไม่ได้ดอกทองหรอกผมดูท่ า, าทีมันนานแล้วนี่คุณคริสเขาไม่ได้ชอบผมหรอกอาจเป็นพระสงสาร ดิวิชนั้นก็พยายามเอาใจเพราะเห็นว่าผมเจ็บป่วยเท่านั้นแล้วก็ถึงจะชอบก็ไม่ได้หมายความว่ารักแเรื่องอย่างนี้คุณพุทธก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วฝรั่งก็ไม่ก็จะถือห่อคุณมันสุดแต่โอกาสและจังหวะรายเบ้นะคุณพุทธสบายอยู่แล้วเพียงแค่รอเวลาเหมาะเท่านั้นส่วนคริสแต่ผมยินดีหลีกทางให้เลยหรือจะให้สนับสนุนทางใดก็ยินดีทุกอย่างนะขออย่างเดียวะ อย่าถึงได้ต้องจับมัดมือมัดเท้าให้คุณก็แล้วกันนะนองกับผมที่นี่คือนี่ปูทางไว้ก่อนมันจะเป็นโอกาสแรกที่คุณอยู่ใกล้ชิดคริสสองต่อสองโดยไม่มีใครกันท่าปอยผมก็หลับแล้วคุณพุฒิน่ะได้เปรียบจะตายไปรูปก็หล่อพ่อก็รวย <c oughs> ผมไม่ได้เป็นอย่างที่กรอนพาไปนะครับจะบอกให้ก็คงจะเป็นเพราะ ขาดคุณสมบัติคอหลังนี่ละมัง้งผู้หญิงถึงไม่ก็จะชอบยังไม่ทันจะจบประโยคดีคริสติน่าผู้ตรวจสายน้ำเกลือและจัดที่นอนอันปัดเปยยุ่งเหยิงเพราะรพินเพ่นขึ้นพวดพราดให้เรียบร้อยตามเดิมก็เดินตรงเข้ามาที่ทั้งสองอ่ะคนป่วยนอนได้ละเติมน้ำเกลือที่ค้างไว้ตามเดิมจนกว่าจะหมดตามคาสั่งของหมอนะโชคดีมากนะ ที่เพ็นพรวดพระเระาเปไนเมตกี้เนะี่ยยังทรงตัวได้ดีไม่ตกเขาตายไปซะก่อนเสียงปืนนัดแรกที่ดัง้นจากบุญคนะํเนี่ยฉันไม่ตกใจสักเท่าไหร่หรอกแต่มาตกใจวิตอนคุณเพ่นลุกขึ้นยืนซะมากกว่ากลัว จ, จะติง้งกริ่งตกเขากระพินลุกขึ้นเดินเข้าไปตามคำสั่งของหล่อนแต่โดยดีแต่ก็ถือโอกาสนั้นช่วยข้อมือเชิดบุษให้เดินตามเข้าไปด้วย ครั้งแรกคริสติน่าก็ไม่สนใจอะไรนะักพอเขาเอ็นตัวลงนอนที่เก่าก็จัดการแทงเข็มน้ำเกลือตามเดิมพอเสร็จสับหมุนตัวลงนอนบ้างก็เห็นเชิดบุตรขึ้นนั่งครึ่งนอนอยู่ทางด้านที่หล่อนจะนอนอ่ะวข้ามาในนี้ทำไมล่ะบุตรแยกไปนอนที่ของตัวได้แล้วอย่ามาชวนรับพิ้นคุยอีกเลยอยากจะคุยอะไรกันก็ค่อยพรุ่งนี้แล้วกันเขายังเป็นคนป่วยอยู่ คริสผมน่ะชวนคุณเชิดบุตรเขามา น, นอนเป็นเพื่อนที่นี่เองแหละรพินบอกขณะที่พาดสีสันลงกระเป้หลังแทนหมอนตามเดิมเห็นบอกว่าในร้ำโน่นเบียดกันแน่นจนขยับตัวไม่ได้สัมภาระก็กินเนื้อที่เต็มไปหมดผมเห็นที่นี่ยังพอมีที่ว่างก็เลยชวนให้มันนอนด้วยกันที่นี่ม่ผมทองกระตุกหัวคิ้วนิดนึงจ้องหน้ารพิน แต่เห็นเขาหลับตาลงอย่างง่ายๆจึงหันไปทางเชิดบุตรผู้อาปากหาวแล้วเหยียดตัวลงนอนข้างๆหน้าตาเฉยเรานั่งกอดเข่าแล้วเอื้อมมือมาพลิกไหลเชิดบุตรที่ทำเป็นนอนตะแคงหันหลังให้เพื่อหันมาจ้องดวงตาด้วยแววค้นหาจะนอนที่นี่ด้วยเหรอก็ทาแมผมทองน้องยาไม่รังเกียจ เชิดบุตรเล่นจำนวนยิเกและโอบแขนไปตวัดรอบสะโพก ข, ของคริสผู้ยังนั่งอยู่หล่อนไม่แสดงอาการขัดขืนอย่างใดแต่ยังมองตาเช่นนั้นน้องยาแปลว่าอะไรจะแตกฉานภาษาไทยสักขนาดไหนมันก็ไม่ใช่ภาษาของหล่อนระพินผู้นอนฟังอยู่พยายามกลั้นหัวเราะเต็มที่ น้องยาก็แปลว่า sister medicine ยังไงล่ะ What หล่อนร้องเสียงสูงเปล่าผู้เล่นนะคุณจะรังเกียจไหมผมจะนอนเป็นเพื่อนระพินที่นี่อีกสักคนทำไมกลัวฉันจะเอายาตายฉีดให้เขายัางงั้นน่ะหรือว่าฉันคนเดียวคุ้งครองเขาไม่ได้ ระหว่างที่เขาหลับผมรู้ว่าคุณปกป้องคุ้มครองและพยาบาลเขาได้อย่างวิเศษสุดแต่ให้ผมนอนที่นี่ด้วยสักคนไม่ได้หรือไงคริสท่านใดนั้นเองเงาของใครคนหนึ่งก็โผล่เข้ามาทางปากถ้าอิสเบนนั่นเองหล่อนเดินตรงเข้ามาที่เชิดบุธรก้มลงฉุดแขนกระชากขึ้นนี่อย่ารบกวนคนเจ็บบุตร ไปกลับไปนอนที่เดิมไม่ไปจนกว่าคุณจะให้สัญญาก่อนสัญญาอะไรสัญญาว่าไม่ว่าจะในกรณีใดๆห้ามแหกปากลงเลงขึ้นกลางดึกผมเป็นคนขี้รำคาญอ่ะตงลงเชิดบุดยิ้มออกมาได้คว้าปืนรีบลุกขึ้นโดยเร็วแล้วเดินตามหลังอิสเบลตอยตอ ย, ต อ, ยออกไปแต่โดยดีคริสติน่าถอนใจยาว หันมาทางระพินผู้ยังหลับตาเหมือนจะเข้าสู่นิทราแล้วก้มลงไปชิดนี่คุณอย่ากแกล้งทำเป็นหลับเร็วนะักตอบคำถามของฉันก่อนไม่ได้แกล้งหลับรอกหลับจริงจหล่อนเอามือคีบขนตายาวของเขาแล้วกระตุกเบาๆอ๋อนี่คนหลับพูดได้อย่างงั้นเหรอก็หลับนอกแต่ตื่นในยังไงล่ะคุณ สีแรงนะระพินสีแรงอะไรก็สีแรงที่ฉันให้ความไว้วางใจและมีความปรารถนาดีต่อคุณแต่คุณกลับมีเล่เหลี่ยมกับฉันคริสติน่าต่อว่าแผ่วเบาแล้วเอนตัวลงนอนหงายตาลืมโพลงดูเพดานหินย้อยในถ้ำไม่ได้ขยับเข้าไปชิดหรือให้ร่างกายส่วนใดแต่ต้องถูกตัวระพินอีกเลย บนนอกชาญบ้านพักของระพินที่หนองน้ำแห้งเสียงจุดสามศูนย์เวเธอร์บีแมกนัมที่แผดเปรี้ยงกึกก้องขึ้นในห้องซึ่งดารินหายเข้าไปทำให้ทุกคนที่นั่งรวมกลุ่มปรึกษากันอยู่สะดุ้งสุดตัวร้องลั่นขึ้นเสียงปืนดังมาจากห้องน้อยนี่มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนเพ่นพรึบขึ้นพร้อมกันหมดแม้แต่นานอินและนายอําพลเฉชฐาอนุชาและชยยัน กระโจนกันคนละสองสามเก้าก็เข้าถึงห้องนอนที่เห็นน้องสาวคนเล็กของตระกูลหายเข้าไปแล้วผักประตูพางถหลันเข้าไปพร้อมกันยังตกใจขีดสุดสิ่งที่เห็นในเงาตะคุ่งของห้องที่ดับไฟมืดนั้นดารินวราฤทธิ์ยืนอยู่ที่หน้าต่างยังประทับไรเฟิลอยู่ใครคนหนึ่งที่เพนเข้ามามีไฟฉายติดมือเข้ามาด้วยจึงฉายสว่างแจ่ และใครอีกคนหนึ่งก็กระโดดเข้าไปที่ตะเกียงเนออนแบตเตอรี่อันตั้งอยู่บนโต๊ะริมเตียงภายในห้องนั้นกดสวิตช์ให้แสงสว่างนวลขึ้นน้อยมีเสียงเรียกประสานพร้อมกันขึ้นอีกจากพี่ชายสองและเพื่อนชายหนึ่งราชสกุลสาวตบลูกเลื่อนขึ้นแล้วกระชากถอยหลังปลอกกระสุนที่เพิ่งยิงสดสดร้อนๆกระเด็นลงมากริ้งอยู่กลางพื้นห้องริมเตียงนอน ตาของหล่อนยังคงมองจับนิ่งไปยังความมืดเบื้องนอกอยู่เช่นนั้นและไม่ได้แสดงความสนใจเลยว่าบัดนี้เบื้องหลังรอบตัวพี่และเพื่อนตลอดจนพรรคพวกคนอื่นๆที่เ็นเข้ามาจะอยู่ในสภาพเช่นไรบ้างเชิถาพุ่งเข้าชิดตัวน้องสาวจับไหล่ไว้แน่นสำรวจสีหน้าขม็งในขณะที่อนุชาและชยันช่วยกันฉายไฟฉาย กราดออกไปยังพื้นเบื้องล่างของบ้านพักทั้งในแนวสูงและแนวต่ำแต่ก็มองไม่เห็นอะไรผิดปกติทั้งสิ่งก็ไรขึ้นน้อยยิงอะไรพี่ชายกลางถามเกือบจะเป็นเสียงตะกนดารินนิ่งอยู่เกือบอึดใจเต็มเมแล้วตอบอย่างชนิดที่ใครก็คาดไม่ถึงว่าเปลา่าไม่ได้ยิงอะไรนึกกลุ่มกลุ่มลำคาญใจขึ้นมา ก็เลยทดลองไรเฟิลกระบอกเก่าของน้อยเล่นเนงั้ยแล้วยิงส่งเดชออกไปไม่มีจินตหมายรอกก็โทษ ด, ด้วยที่อาจทำให้ทุกคนตกอกตกใจเอ๊ฉันว่าเธอจะฟุ้งซ่านใหญ่ซะแล้วนะน้อยก็บอกอยู่หยกย ก, ยกก่อนจะเข้ามาในนี้ไว้กินยานอนหลับแล้วก็นอนซะช้ยาพูดเอ็ดชยันพูดเอ็ดตะระรุ่นก็พอคล้ายรับหลังเข้ามาในนี้อึดใจเดียว เสียงปืนก็ดังอี่างก็ฟ้าผ่าใจหายใจความหมดนึกว่าทำปืนลั่นหรือระเบิดขระมองตัวเองเ้าให้แล้วหรื อ, อยังไงน้องสาวคนเล็กของตระกูลยิ้มแค่นๆไม่มีใครอ่านความหมายของรอยยิ้มนั้นได้พูดเบาๆอย่างไม่สนใจหรือแยแสยกับสภาพตกวกตกใจของพักพวกทุกคนว่าขอโทษอีกครั้งนะก็นึกว่าฉันทาปืนลั่นกันแล้วกัน แล้วหลอนก็หยิบไฟฉายส่องไปที่ต้นไม้ตายซาาอันเป็นที่เลื้อยพันของเถาฟะลยข้าวรอยกระสุนเจาะทะลุผ่านปรากฏเห็นขาวเวอร์เพราะเปลือกแห้งๆตำแหน่งนั้นของมันปลิวหลุดออกไปทั้งกระบี่คุณหญิงครับผมว่าระ ง, งับอกระ ง, งับอกระ ง, งบังง บ, งงบใจไว้สักมั่งเถะครับผมรู้สึกว่าคุณหญิงกาลังวุ่นวายเต็มที่นะครับนายอมพลพูดด้วยเสียงสั่นเครือ หน้าเขายังขาวซี่เพราะความตกใจเสียงปืนเมื่อตะกี้นี้อยู่นานอินเองก็อ้าปากหอเมื่อโผล่หน้าเข้ามาในห้องบ่นงึม ง, งำฟังไม่ได้สักไม่มีใครสามารถเข้าใจอะไรได้ทั้งสิ้นอนุชาและชัยยันทาท่าจะตั้งคำถามหรือโวยวายต่อไปแต่พี่ชายใหญ่ยกมือขึ้นช้าๆพูดเสียงเรียบเอาละไม่มีอะไรหรอกทุกคนออกไปนอกห้องได้แล้ว ปรึกษาหารือหรือจัดข้าวของอะไรก็ว่ากันไปตามเดิมฉันจะดูแลน้อยเองทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งของหม่อมราชวงศ์เชษฐาภายหลังจากบุญอะไรกันซัดไปหมดอึจใจต่อมาภายในห้องนั้นก็เหลือเพียงน้องสาวเล็กกับพี่ชายใหญ่ตามลำพังเชษฐาคงจ้องหน้าดารินด้วยประกายตาลึกอยู่เช่นนั้น แล้วส่องไฟฉายไปยังตำแหน่งต้นไม้ตายซากนั้นอีกครั้งอย่างพิจารณาเขาดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่สังเกตเห็นได้ว่าดาริงยิงไปยังที่ไหนเกือบสองนาทีเต็งเพี่ชายน้องสาวไม่ได้พูดคำใดกันเลยคุณชายใหญ่ดับไฟในห้องให้มืดมิดลงเหมือนเดิมแล้วฉายไฟไปยังต้นไม้ต้นนั้นอีกจากนั้นก็ดับไฟฉายลง ยืนพิจารณาเงียบๆในความมืดเขาทำสลับกันเช่นนั้นอยู่สองสามครั้งก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นภาพอะไรทั้งสิ้นนอกจากเงาตะคุ่มของลำต้นและเถาฟักข้าวที่ขึ้นพันเป็นซุ้มและพี่ชายใหญ่ผู้สุขุมรอบคอบรู้จิตใจของน้องสาวคนเล็กมากที่สุดก็เปิดตะเกียงเนีอนแบตเตอรี่ขึ้นตามเดิมพยักหน้าเรียกดาริน ผู้ยืนนิ่งอยู่ริมตู้ปืนให้เข้ามาใกล้โอบ ก, กอดไหลไว้ดึงให้มาหยุดยืนอยู่เคียงคู่กันที่หน้าต่างบานนั้นน้อยนั้นเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเมตตาพี่ไม่คิดเหมือนอย่างที่พวกนั้นคิดหรอกนะคือไม่คิดว่าน้อยเกิดบ้าคลั่งอะไรขึ้นมาถึงได้ยิงไรเฟิลขึ้นแล้วก็ยิงไปที่ต้นไม้ต้นนั้น ห้ลองบอกสิน้อยเห็นอะไรยิงสาวกล้ามกลืนอะไรบางอย่างลงลำคออันแห้งผากฝืนยิน้มเชษฐาสังเกตเห็นว่ามือของน้องสาวยังสัน่นอยู่ริกๆก็บอกแล้วไงคะว่าน้อยลองทางปืนเพียงแต่ผิดกาลเทศะไปหน่อยเท่านั้นคือมายิงเอาในช่วงเวลาเช่นนี้ทำให้ทุกคนตกอกตกใจไปหมด หลอนพยายามทำเสียงให้เรียบปกติที่สุดปิดลูกเลื่อนเข้าที่ลดนกลงแล้วถอนใจยาววางปืนคู่ชีพกระบอกนั้นลงบนที่นอนเดินไปนั่งประสานมืออยู่บนเตียงเชิาเข้ามานั่งข้างๆจับไหล่ทั้งสองให้หันมาปรชินหน้าแล้วทำไมจะต้องปิดไฟทำไมจะต้องปิดพี่ด้วยพี่รู้นะว่าน้อยต้องมีเหตุผล แม้ว่ามันจะเป็นเหตุผลที่คนอื่นๆจะไม่เข้าใจหรือรับฟังไม่ได้แต่พี่รับฟังได้เสมอบอกพี่ตามกรงดีกว่าน้อยตอนนี้เราอยู่กันแค่สองคนเท่านั้นไม่มีใครราชสกุลสาวผูเข้ากอดคอพี่ชายใหญ่ไว้แน่นแล้วซุกหน้าลงกัะไหลร้องให้เงียบเงียบเชิฐาลูปแผ่นหลังพร่ำปอบโยนอยู่นานหล่อนจึงบอกเสียงเคอว่า พี่ใหญ่ค่ตาน้อยฝาดค่ะแต่แต่มันฝาดซ้ำซ้ำซักซ่าหลายครั้งติดต่อกันยืนอยู่ที่หน้าต่างนั่นมองไปในความมืดเห็นอะไรก็ไม่ทราบรูปร่างเหมือนเสียงของหลอนขาดหายไปเหมือนเหมือนอะไรน้อย เหมือนไอ้นักบทล้วนมันใจ ค, คะ่ะมันใจเหรอค่ะพี่ใหญ่มันแน่ๆเลยดพวิฉนั้นก็เงาภาพหลอนของมันที่ยังติดตาน้อยอยู่น้อยเธอก็รู้อยู่แน่แก่ใจแล้วนี่ว่ามันใรนะ่ะมันพินาศไปแล้วระพินกบุญคาาําเผาซาดของมันกลายเป็นขี้เท่าปนไปตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วค่ะน้อยรู้คะ่ะน้อยเข้าใจ แต่ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี่มันเหมือนกับว่าน้อยสร้างภาพของมันขึ้นมาเองโดยสังหรณ์ว่าวิญญาณของมันไรยังไม่สลายไปผุดไปเกิดหากแต่ยั ง, งวนเวียนผูกอาฆาตพยาบาทอยู่มันมันมายืนอยู่ที่นั่นค่ะหล่นชี้มือออกไปทางนอกหน้าต่างมันกักมือเรียกน้อยพอฉายไฟก็หายไปดับไฟมือทีไรเห็นทุกที แล้วก็มีเสียงตือนอย่างประหลาดของอะไรสักอย่างหนึ่งแววมาจากจิตหรือประสาทหูน้อยไม่แน่ใจค่ะเสียงนั้นบอกกันน้อยว่าขณะนี้ระพินกำลังเผชิญกับอันตรายลี้ลับชนิดนี้อยู่ความรู้สึกของน้อยเมื่อตะกี้นี้แทบจะบ้าตายน้อยก็เลยยิงออกไปที่ภาพนั้นแต่ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเลยนอกจากต้นไม้ยืนต้นตายซ่า และเถาต้นฟักข้าวที่ขึ้นพันสรุปก็คือตาก็ฝาดหูก็เืนไปชัยยันกับพี่กลางผู้ถูกแล้วล่ะคะ่ะน้อยฟุ้งซ่านไปเองแทๆ้ๆเชศฐาถอนใจเฮื่กเต็งไปได้วยความห่วงและสงสารสภาพทางจิตอันอ่อนแอของน้องสาวเป็นที่สุดน้อยพรุ่งนี้เราจะเดินทางติดตามเขาแล้วนะและหนานอินก็ให้คำรับรอง ว่าไงไงเราก็ต้องตามจนพบให้ได้น้อยชื่ออะไรพี่สักอย่างได้ไหมกล่นพยักหน้ากรีดนิ้วเช็ดน้ำตาแล้วสะบัดออกไปน้อยชื่อพี่ใหญ่ทุกอย่างค่ะวาเรีมอยู่ไหนแทนคำตอบดารินล่วงกระเป๋าเสื้อคลุมหยิบถุงพลาสติกเล็กๆขึ้นมากล่นพกติกตัวอยู่แล้วกี่มิลลิกรัมนะเนี่ย ห้าค่ะพี่ชายใหญ่เดินไปรินน้ำจากเหยือกที่ตั้งอยู่บนโต๊ะลงแก้วครึ่งหนึ่งแล้วถือกลับมาส่งให้น้อยพี่ไม่ใช่หมอนะแต่เมื่อตัวหมอเองเกิดป่วยขึ้นมาซะแล้วเช่นนี้พี่ก็ต้องเป็นหมอแทนให้เอาละ่ะกินเส น, นะนี่น้ำอย่างน่าสมเพชที่สุดสัญญาแพทย์สาวมือเกียรตินิยม หย่อนยาระงับประสาทเข้าปากและวจิบน้ำกลึงเข้าไปเอ็นตัวลงนอนตามคำสั่งของพี่ชายช้าๆในลักษณะหงายเย็ดยาวเชิถาคลี่ผ้าห่มออกคลุมให้จากปลายเท้าจรดอกภาวนาพุทโธพุทโธซ้ำๆอยู่เช่นนี้นะประเดี๋ยวน้อยก็หลับเองหลับอย่างสนิทและไม่ฝันร้ายอะไรอีกเลย พรุ่งนี้จะตื่นขึ้นมาด้วยความแช่มชื่นสดใสและเมื่อ น, นั้นแหละงานสำคัญของเราจะเริ่มต้นพี่ใหญ่คะน่าจะขออะไรพี่ใหญ่บ้างอะว่ามาสมมุตินะคะแม้จะเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนตแห่งความหวังถ้าหากว่าอะว่าไปให้จบกระแสะความอย่าอ้ำอึ้งอยู่ ถ้าหากว่าเราเอาตัวระพินกลับคืนมาได้น้อยไม่ยอมที่ใจเขาอยู่ที่นี่อีกแล้วแต่จะเอาตัวไปด้วยน้อยอยู่ที่ไหนเขาจะต้องอยู่ที่นั่นพี่ใหญ่จะรังเกียจไหมคะเชิดฐายิ้มขึ่มขื่ขจับายคางน้องสาวบีบเบาๆตกลงน้อยตกลงโดยใจจริงแล้วนะพี่ไม่เคยคิดรังเกียจระพินนะ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 กลางจะมีความคิดเหมือนพี่ใหญ่หรือเปล่าพี่แน่ใจนะถึงกลางเองก็ย่อมจะมีความรู้สึกชนิดนี้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพี่หรอกกลางนะ่ะความจริงตายไปจากโลกภูมิศาสตร์นี่แหละแต่เขาเกิดใหม่พระพรพินไทยวันเขาอาจจะผงผางวางท่าไปงั้นเองแต่แท้ที่จริงแล้วนะ่ะกลางเขายินดีต้อนรับพระพินเป็นเครือญาติก่อนพี่ซะด้วยซ้ําดารินสูดลมหายใจลึก สีหน้าแช่มชื่นมีสีเลือดขึ้นทันทีจากความเสียดสีพี่ใหญ่คะเป็นความผิดของน้อยหรือเปล่าคะที่รักเ้าจนหมดหัวใจไม่ใช่ความผิดแต่มันควรจะเป็นเช่นนั้นถ้าน้อยเป็นคนมีหัวใจพี่ใหญ่คะเป็นความผิดของน้อยหรือเปล่าคะที่ไปหลังจากเรากลับจากเทือกพระศิวะแล้วน้อยกลับปล่อยทิ้งเขาไว้ที่นี่ตามลําพัง เนื่องจากคิดไม่ถึงบ้างมันจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาแทรกแยกเข้าไปเสียจักน้อยก็ไม่ใช่ความผิดนั่นแหละน้อยเป็นแค่เพียงประมาทชะล่าใจเป็นหน่อยเท่านั้นซึ่งพี่ทั้งสองคนก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะแนะนําอะไรเธอในขณะนั้นได้เลยเพราะเห็นเธอก็มีทีท่ากระบิดกระบวนเล่นองค์เอาชั้นเอาเชิงอยู่เหมือนกันระพินจะเข้ากับพวกเราได้ไหมคะ ในสังคมของชาวเมือง่ะทำไมจะไม่ได้ถ้าเขาแน่ใจว่าน้อยรักเขาจริงต้องการเขาจริงและพี่ทั้งสองก็ไม่รังเกียจเขาพราะพินเป็นคนมีการศึกษาสูงผ่านโลกที่เจริญขีดสุดมาแล้วเขาไม่ใช่คนด้อยพัฒนาเว้นไว้แต่จะแกล้งทำตัวให้ด้อยไปอย่างนั้นเองเพราะประชดประชันเครียดแค้นสังคมหน้าไหวหลังหลอกดารินบาราริปหลับตาลงพึงพัง ถ้เช่นนั้นน้อยก็สบายใจแล้วละไม่มีอะไรที่จะติดข้องอีกแล้วทั้งสิ้นและคืนนี้คงจะหลับได้อย่างสบายที่สุดปฏิสวัสดนะครับพี่ใหญ่พบกันพรุ่งนี้เช้าค่ะอดีต ท, ท่านทูตทหารบกเชื้อพระวงศ์ตบที่ศีรษะน้องสาวเบาๆแล้วรีตะเกียงให้เดินแผ่วเบาออกไปจากห้องดารินพนมมือขึ้นจรดสวงอก ภาวนาสวดมนต์มิชามินานหล่อนก็พลอยหลับสนิทไปด้วยมือที่ประสานกันอยู่บนสวงอกเช่นนั้นครั้นแล้วราตรีนั้นก็ผ่านพน้นด้วยอรุณรังที่ย่างเยือนเข้ามายังบริเวณหุบผาตะเขียนทองคริสติน่าผู้จัดว่านอนวายและตนเองก็มีกังวลที่สุดรู้สึกตัวลืมตาขึ้นก็พบว่า ระพินไทรวันหายไปจากที่นอนของเขาซะแล้วถุงน้ำเกลือยังแขวนอยู่กระเสาแต่หมดเกลี้ยงและเข็มก็ถูกถอดทิ้งไว้พร้อมกระสายยางแสดงว่าเจ้าตัวถอดออกเองความสว่างสีเทาๆเพิ่งจะสองลอดปากโพรงถ้ำเข้ามาเท่านั้นและเป็นม่านมูไปด้วยละอองหมอกเราได้ยินเสียงตะโกนพูจากันอยู่ด้านนอกระหว่างพวกรานพื้นเมืองของระพินและลูกหา อันหมายถึงว่าพวกนั้นก็ตื่นกันหมดแล้วเช่นกันจึงคว้าปืนประจำตัวและสังเกตเห็นอีกว่าไราเฟิลของรพินหายไปพร้อมกับเจ้าของด้วยคริสติน่าลุกขึ้นและออกมายืนตรงบริเวณหน้าถ้ำโดยเร็วพยายามจะกวาดสายตามองแต่ก็เห็นอะไรได้ไม่เกินห้าหเมตรเท่านั้นเพราะละอองหมอกอันเย็นชําลงหนาทึบไปหมดและบริเวณชานหินที่ยืนอยู่ก็เปียกและลื่นมาก จึงตะโกนเรียกนามเขาระพินอย่าเพิ่งก้าวหรือไต่ลงมานะคริสหินกําลังลื่นมากอยู่บนนังก่อนเสียงเขาตอบมาจากเบื้องล่างไม่ห่างลงไปนักแต่ก็มองไม่เห็นตัวคุณอยู่ไหนน่ะระพินกําลังทําอะไรอยู่กำลังตัวร่องรอยอะไรหน่อยคุณไต่เข้าไปในถ้าที่พวกเรานอนรวมกันอยู่แล้ะปลุกพวกเขาด้วย ถ้าเขายังไม่ตื่นบอกให้ทุกคนทานอาหารเช้าซะเลยแล้วก็อยู่กันบนนั้นก่อนจนกว่าแดดจะออกแล้วหมอกจางเห็นอะไรถนัดกว่านี้กำชับอีกครั้งนะอย่าพยายามไตล่ลงมาเป็นอันขาดจะเกิดอุบัตเิเหตุได้คุณเป็นไงมั่งครับพินสบายดีแล้วเหรอไม่ต้องห่วง ผมปกติเหมือนเดิมแล้วอีกสักครู่จะขึ้นไปพบทุกคนที่ท้ำใหญ่เตรียมอาหารไว้เผื่อผมด้วยทั้งสองฝ่ายตะโกนพูดกันโดยไม่เห็นตัวตกลงว่าแต่ตอนนี้คุณอยู่กับลูกน้องเลยใช่อยู่กับบุญคำคริสติน่าปัดแขนเสื้อแจ็คเก็ต ด, ดูนาฬิกาขณะนั้นเป็นเวลาหกนาฬิกากับสิบนาที อีกนานไหมนี่เดถึงจะออกแล้วหมอกจะจางเรา8โมงโอ้อีกตั้งนานคุณนอนพักต่อยสักสองชั่วโมงก็ยังไหวนะอย่าเพิ่งให้พวกคุณคนไหนเคลื่อนไหวออกนอกที่พักในตอนนี้เพราะยังทำอะไรไม่ถนัดรอกแล้วคุณลุกขึ้นไปทำไมแล้วหน้าที่ของผมคุณก็รู้อยู่แล้ว อย่าพงพูดอะไรตอนนี้เลยผมขี้เกียจตะโกนแล้วประโยคหลังดูเหมือนจะตัดบทคริสติน่าชางโงกเข้าไปในถ้ำที่นอนเฝ้าเขาตลอดคืนอันมีครอบครัวของเสอเอิงนอนอยู่ด้วยอีกมุมหนึ่งเห็นเสอเอิงและลูกเมียยังนอนเบียดกันเป็นกลุ่มจึงถอยพละออกมาค่อยๆเกาะแง่หินไต่ไหลผ่ผาบริเวณ น, นั้นซึ่งไม่กว้างมากนักเลาะเรียบไปยังถ้ำใหญ่ ที่พักพวกและสัมภาระเก็บไว้เมื่อโปลกเข้าไปก็ยังเห็นพวกนั้นนอนเรียงรายหลับสนิทกันอยู่ไฟที่ก่อไว้หน้าปากถ้ำมอดดับลงหมดแล้วและไม่มีเชื้อฟืนที่จะเติมอีกความหนาวเย็นของอากาศยามเช้าตรู่บนหน้าผาทำให้ทุกคนนอนกันตัวงอกองอขิงมันเป็นเวลาที่ทุกคนหลับอย่างสบายที่สุดและไม่มีเหตุผลใด ที่หล่อนจะต้องปลูกขึ้นมาในยามนี้ก่อนจึงค่อยๆ ย, ย่องเข้าไปค้นหาก้อนแก๊สสาเร็จรูปสําหรับก่อไฟหุงต้มในห่อสัมภาระออกมาวางกับพื้นและจุดไฟเป็นเปลวขึ้นเพื่ออาศัยผิงไออุ่นตนเองนั่งเอาหลังพิงผนังหินไม่ได้คิดที่จะนอนต่อใดๆทั้งสิ้นเพราะประสาท ต, ตื่นพร้อมแล้วถือโอกาสต้มน้ําจากหม้อสนาม เพื่อเตรียมชงกาแฟจากเปลวไฟนั้นไปในตัวด้วยขณะนี้ระพินกับสมุนมือขวาตัเท่าบุญคำกำลังยืนอยู่ที่แง่ตะพักหรือแท่นหินตำแหน่งที่ไอซากมหาการจะสุสานนิทรานครถูกลูกบืนคมของบุญคำหล่นลงมาคว่มหน้าคาภาคอยู่กาแง่หินลักษณะไม่ผิดอะไรการ ง, ง่าวไม้ทั้งดุนซึ่งเป็นสภาพปกติ ของศพอาบยาที่หาอายุไม่ถูกมันไม่ได้กระดิกกระเดี่ยหรือเคลื่อนไหวผิดจากสภาพเดิมกับที่หล่นลงมาในครั้งแรกเลยและมายืนพิจารณากันใกล้ๆเช่นนี้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นนอกจากซากโบราณไม่ทราบสักกี่สิบหรือกี่ร้อยศตวรรษมั่นแล้ะแต่ก็เป็นซากที่ยังสมบูรณ์ไม่มีส่วนใดชำรุดนอกจากรอยกระสุนแผลเล็กๆของบุญคา ที่ยิงทะลุหน้าอกท่านออกด้านหลังเหมือนยิงทะลุยางรถยนต์เนื่องจากแนวทางของกระสุนไม่ได้ผ่านกระดูกนายไอตัวนี้นะไม่มีทางจะลุกขึ้นมาเดินได้อีกแล้วละ่ะเพราะเจอกระสุนคลุกยันอิเปิลของบุญคำเขา้าถึงไอตัวที่โดนลูกปืนของจันทก็เหมือนกันเลยไม่รู้ตอนนี้มันค้นหาพบแล้วหรือยังก็คงจะกลิ้งไปไติดค้างอยู่ตรงไหนสักแห่งนึงแน่ๆ แต่สำหรับตัวที่นายยิงถ่ากะโหลกไปทั้งซี่ก็ยังไม่แน่นะว่ามันจะไปกองอยู่ที่เก่าหรือเปล่าแล้วบุญคําก็ไม่สบายใจนักนะแต่ไปเจอไอ้ตัวหัวกะโหลกมันหายไปครึ่งซี่เดินทืกลมาเยี่ยมเราอีกอะตะพรานเท่ากระซิบกับเขาเบาๆระพินควักผ้าขนหนูออกมาจากอกเสือ้อเช็ดใบหน้าอันเปียกชื้นไปด้วยละอองหมอกของเขานี่บุญคบ เราเห็นจะต้องเจอกับมันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหากเรายังค้นไม่พบป่าช้าของมันตรงที่นายทหารชัยยันกับนายแหม่มมาเรียไปติดขังอยู่ในคราวนั้นมันไปจะต้องใช้มนกาลีของมันเรียกออกมาได้เรื่อยๆเออแลเงาเอาไงกันดีเน่ยนายถ้างั้นน่ะก็มีอยู่ทางเดียวถ้าผ่านห้วยเสือร้องไปแล้วเราเห็นจะต้องค้นหาสุสานของนิทานนครให้พบ แล้วก็หาทางสกัดกั้นหรือล้างไอ้ซากผีหมื่นปีในสุสานนั่นให้หมดไม่งั้นมันก็ต้องโผล่ออกมาตามรังควานเราไปจนถึงที่สุดนั่นแหละไม่เพียงแต่เรียกผีดิบออกมาจากป่าช้าให้มาจ้องเล่นงานเราเท่านั้นมันยังบังคับขลุ่นช้างได้อีกบุญคําก็ว่าเราเห็นจะต้องฟาด ก, กับมันแบบนั้นแหละนายว่าแต่นายจะบอกกับฝรั่งพวกนั้นว่ายังไงล่ะ แกถามอย่างเป็นห่วงแทนเพราะถึงยังไงบุญคาก็ไม่ใช่คนโง่นะักแล้วก็เข้าใจอะไรๆ ไ, ได้ดีพอควรมันจาเป็นใช่ล้วล่ะบุญคําที่ฉันจะต้องเล่าความจริงทั้งหมดที่เคยเกี่ยวเนื่องกับพวกเราในครั้งนั้นให้พวกเขาฟังทั้งๆที่ก็ไม่เคยคิดเลยนะว่าจะต้องบอกเกี่ยวกับความลี้ลับของนิทราครและมันไรและพวกนัน้นจะยอมเชื่อนายเหรอ กระพินกระดกปลายลิ้นเกลี่ยริมฝีปากถ้าไม่ยอมเชื่อก็ช่วยไม่ได้นะเหตุการณ์นั้นพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนกันรรตาทุกคนแบบนี้แล้วเอาล่ะเราไต่ตำกันลงไปอีกสักหน่อยชิดจำได้ว่ายิงไอ้ตัวที่สามหล่นไปทางโน้นนะดูซิว่ามันอยู่ที่เดิมหรือเปล่าหรือว่าดอดหนีไปได้เพราะลูกปืนของฉันมันไม่ได้คลุกยันอเป๋อย่างที่บุญคาทาไว้ซะด้วย บ่าวนายทั้งคู่พากันเดินไต่แง่หินต่ำลงไปอีกถ่ามกลางละอองหมอกที่ยังคลุมอยู่เป็นม่านทึบกระพินจำได้ดีว่าเขายิงไอตัวที่สามพังหะร่วงหล่นไปตรงตาแหน่งไหนจึงบ่ายหน้าลงไปยังบริเวณนั้นตรงซุ้มไม้เล็กๆเห็นชัดว่ากิ่งไม้ขนาดหัวแม่เท้ากิ่งหนึ่งหักพับ ด, ด้วยรอยตัดของหัวกระสุนไรเฟิลขนาดหนัก มันหักกิ่งไม้ที่บังอยู่เบื้องหน้าก่อนและกิ่งทะลวงเข้ากระทบบริเวณใบหน้าของไอ้ซากมหาอุบาทการทาหน้าที่เหมือนหน่วยคอมมานโดไตเงียบขึ้นมาบุญคําชี้ให้ดูก้อนหินขนาดครกตําน้ําพริกย่อมๆกระซากที่หงายผึ่งลงไปนั้นและมีรอยกลิ่งไปตามทางชันของหน้าผาต่างตามกันไปเรื่อยๆช่วระยะต่ําลงมาอีกไม่ถึงเจดปเมตร ก็มาพบกับแง่หินซึ่งสันนิษฐานได้ว่าซากควรจะกลิ้งลงมาติดคาอยู่ตรงนั้นสิ่งที่ทั้งสองพบก็เพียงแต่เสี้ยวหนึ่งของกระโหลกสีรัะอันประกอบด้วยโหนกแก้มสีกซ้ายซึ่งหลุดออกทั้งกระบี่กับกระโหลกส่วนหนึ่งลักษณะเหมือนกะลามะพราวภายในเต็มไปด้วยขุยดำๆและปอยผมที่ติดอยู่เท่านั้นตัวซากทั้งซาก และศีรษะอีกซีอีกหนึ่งอันยังควรติดอยู่กับบาอันตรทานไปซะแล้วรพินเอานิ้วเกาแก้มกรากๆอย่างขัดใจเสียงตะเ่าจุดปากจิกจักบุญคำว่าแล้วไหมละ่ะลูกปืนของนายแค่ทําลายส่วนใดส่วนหนึ่งของมันที่ลูกปืนกระทบเท่านั้นไอตัวซาบของมันสะกดไม่อยู่ด้วยลูกปืนธรรมดาพอได้โอกาส มันก็มีวิญญาณลงสิงหลากตัวเองหนีหายไปได้ตามเคยไอ้ตัวนี้ก็จะมีสภาพเหมือนเหมือนกันตัวที่นายกับนายทหารเชิดบุตรยิงขาหักกวางระเบิดตัวขาดครึ่งท่อนที่มันจะส่งมาหลอกหลอนเราได้อีกสู่ลูกปืนของพวกบุญคมก็ไม่ได้เจอก็โครมเดียวจอดสนิทเอาไปใช้งานไม่ได้อีกนายต้องทาวิธีเอาลูกปืนของนายนะคลุกยันอีเป๋ แบบเดียวกับลูกปืนของพวกบุญคำแล้วละ่ะแล้วไอ้ที่พวกบุญคำยิงอยู่หมัดไปหลายตัวเมื่อคืนก่อนตอนมันยกพลบุกเข้ามาที่นี่เพราะตื่นเช้าก็หายไปหมดนั่นนะมันหายไปได้ยังไงเขาถามบุญคําว่าพวกที่ถูกลูกปืนอาคมของบุญคำนะไม่มีทางใช้การได้อีกหรอกแต่ที่มันหายไปก็เพราะไอ้ช้างบริวารของมันนั่นแหละช่วยกันเองงวง จัดซากพาหนีหายไปโดยไม่ยอมทิ้งไว้ให้เราเห็นพิสูจน์ได้ในตอนตะวันขึ้นก็คงจะแอบเอาไปแอบซ่อนโยนทิ้งไว้ที่ไหนไม่ให้เราค้นพบได้รับรองสินะ่ะว่าซากที่ถูกลูกปืนของบุญคํามันจะเอากลับมาใช้อีกไม่ได้แล้วผิดก็ซากที่ถูกลูกปืนธรรมดาพระมนตร์อภริอุบาศของมันไตรยังสั่งการให้เคลื่อนไหวได้ ถึงจะหักหักทางทางก็ตามเขามองหน้าสมุนสนิทผู้ไว้วางใจและเชื่อฝีมือได้มากที่สุดอัดบุหรี่ลึกก็แปลวบุญนคำยังเชื่อแน่นอนใช่ไหมว่าวิญญาณร้ายของมันไรยังคงวนเวียนอยู่และเป็นตัวการเล่นงานเราในครั้งนี้ไม่มีอะไรให้หน่าสงสัยแล้วนายถึงตัวนายเองก็เชื่อยอย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่หรอ วิญญาณของมันใจไม่ได้ดับศูนแม่ซากเดิมที่เป็นนักบวชโลนของมันจะพินาศไปพร้อมๆกับซากเสือโคร่งดําของมันในครั้งนั้นแล้วตอนแรกแรกที่เรากําจัดมันได้วิญญาณก็คงจะกระเจิดกระเจิงตุรัหตุเร่ไปก่อนอย่างหาทิศทางไม่ได้พอมันตั้งตัวได้รวบ ร, รวมอํานาจจิตมั่นคงและจําความเก่าได้ถูกมันก็หวนมาอีกครั้ง ตัววิญญาณสำคัญก็เข้ายึดซากอันใหญ่โตมาหือมาของนักรบใช้แทนซากนักบวชโลนอันเป็นซากเดิมของมันก็ไอตัวที่เราพบเห็นครั้งแรกที่นั่งอยู่เหนือฝั่งลำห่วยนั่นละนายส่วนลูกน้องบริวารของมันทั้งหลายมันก็สงกระแสจิตเข้าครอบงำโดยแยกฤติมนตออกไปทำให้สังการเข้าสิงได้พร้อมๆกันหลายๆตัว ไอ้ตัวที่มันจะต้องระมัดระวังและสงวนไว้มากที่สุดก็คือตัวที่เป็นนักรบเพระรูปร่างสมบูรณ์กัญย์สูงใหญ่มากที่สุดมันต้องรู้ว่านายจะต้องนําคณะเดินทางผ่านมาในถิ่นของมันถึงได้ดักรออยู่เพื่อแก้แค้นไอ้โขลงไอ้นาดําก็ตกอยู่ในอํานาจของมันที่มันสร้างเหตุการณ์เข้าราวี ทำลายล้างหมู่บ้านตะเคียนทองบุญคำว่ามันไม่ได้มีประสองค์อะไรมากไปกว่าที่จะทําเรื่องขึ้นเพื่อเป็นคนอุบายเรียกนายให้เข้ามาติดกับดักของมันนั่นเองเพราะถึงแม้นายจะอยู่น้องนาแห่งเฉยๆโดยไม่นำทางฝรั่งพวกนี้ข่าวของไห้งาดําที่บุกข่ากระเรียงตะเคียนทองทั้งหมู่บ้านก็จะต้องแววไปถึงหูนาย และเป็นการเรียกนายให้ขึ้นมาพบมันนั่นเองบุญคำาทยอย่างนี้นายเห็นด้วยไหมระพินไม่พูดคำใดในขณะนั้นนอกจากอัดบุหรี่จนแก้มตอบริตามองดูเศษกะโหลกซึ่งครั้งหนึ่งนานมาสักเท่าใดไม่ทราบได้มันเคยเป็นกะโหลกของมนุษยชาติขนาดนั้นเองก็มีเสียงกูให้สัญญาณเบาๆมาจากกลุ่มหมอกทางด้านซ้ายมือ บุญคำกูรับออกไปวูอยู่ไหนพี่คมนั่นเป็นเสียงของจันที่วูพูดมาฟังว่าระยะใกล้ๆนี่เองวู oo, ทางนี้เว้ยไอ้จันเลาะก้อนหินมาให้ดีนะเว้ยบุญคำร้องเรียกมีเสียงไต่ก้อนหินมาแซกแซก อันเกิดจากกรวดและดินซุยร่วกและไม่กี่อึใจสมุนซ้ายกระพรันเด็กหนุ่มสองคนคือเกิดกระเซยก็พาตันเลาะไหลแคบๆตรงเข้ามามองเห็นตัวกันในระยะห่างไม่กี่วาพบตัวไหมตัวที่จันยิงไว้เขาถามเบาๆจันหัวร่อราโอ้จะหนีรอดไปไหนล่ะนายนอนแผ่มืด กลางปีนกลางอยู่ตรงนน้นบางจะ ง, งอนหินอยู่อีกแสนปีก็กระดิกกระเดียไม่ได้ลูกปืนของจันแค่ทะลุท้องมันผ่านไปเท่านั้นเองจากรายงานของจันก็เป็นอันเชื่อได้แน่นอนว่ากระสุนปืนที่ผ่านการทำวิธีศกปรกของบุญคาแก้อาคมกริตยามนไรของมันไรได้อย่างช ง, งัดที่สุด ไอ้ตัวที่นายยิงหัวแรลงหายไปสี่หนึ่งนี่สิเหลือแต่เศษกะโหลกห้เหินตัวมันหนีไปได้ตามเคยวะ่ะบุญคำเป็นคนบอกลูกน้องทั้งสามแล้วปลายไรเฟิลชี้ให้ดูเศษกะโหลกที่ทิ้งตกอยู่จันเกิดและเสยเข้ามามุงดูแล้วครางกันอู้ตลอดเวลาครางใหญ่ยืนสงบนิ่งใช้สมองหนักลูกน้องมือดีของเขาทั้งสี่ คุยกันเองสักเนื้อผึงไวเมื่อวานนี่มันก็ใช้ช้างให้มาถึงขาดจากราลงมาคลุกฝุ่นอาศัยแดดไม่ได้เลยเสียเวลาแลกกันปเปล่าๆทั้งวันไม่รู้มันจะจองล้างจองผ่านเราไปถึงไหนเจ็บใจขึ้นมาเดี๋ยวพัดเอาไอ้สองตัวนี้ต้มซุปแดดที่เช้านี่เลยเคยสะบดสะบานด่าพ่อล่อแม่ครมเออ เองจะเอาสากมันต้มซุป แ, แดกก็เฉื่อแดกกป็คนเดียวเหอะไม่มีใครก็รับประทานแดกเองด้วยหรอกต้มยางรถจนกินยังพอมีทางเปิดได้มัง้งไอ้สาขบบาทพวกนีนะ้มันก้อนหินเราดีๆนี่เองมีเฉือยยังไม่เข่าเลยบุญคำว่าพร้อมกับผลักหัวเสยเอาไงดีครับนายปล่อยซาก่ะสองตัวที่ลุงคำกันนะจันยิงหกอยู่กับที่ไว้ที่เดิมรไง หรือว่าจะลากให้ไปจัดการยังไงที่ไหนเกิดถามขึ้นปล่อยไว้ที่เดิมเนี่ยไม่ต้องไปแตะต้องหรือขยับขยื่นอะไรอะสายหน่อยหมอกจ้างให้พวกนายจ้างเขาลงมาเห็นกระตาเองดีกว่าเราลงไปที่ลานข้างล่างนั่นไปตรวจ ด, ดูบริเวณว่าพวกมันย่องเข้ามาทําลายราวตากเนื้อเรายังไงมั่งกล่าวจบระพิงก็สะพายไรเฟิลขึ้นไหลหันหน้าเข้าผนังหิน เอาหลังออกแล้วถอยหลังไต่นาลงไปยังด้านล่างก่อนทันทีการคู่ใจทั้งสี่ก็ไตาตามกันลงมาเป็นขบวน